วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระาศาสดาตราร ม, มาพุทธเจ้าของวเราทั้งหลายได้อุบัติบังเกิดขึ้ น, นโรคและตัดสุรุปริญญานในวันเดือนหกเป็น เกตดนั้นพวกเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งหวังตั้งใจให่ต่อการบุญการผู้สนถึงวันสำคัญอย่างนี้จึงเด็ดควมกันมากระทำสักการะบูชาอย่างที่พวกเราทั้งหลายกระทำกันไปเมื่อกี้นี้การกะทำคุณงามความดีหรือการสักการะบูชา ในวันเช่นนี้ปีหนึ่งหนึ่งจึงค่อยจะมีขึ้นผลหนึ่งเหตนั้นการที่ได้แต่ทำความดีในวันเช่นนี้จึงเป็นของสำคัญไม่ปล่อยการเวลาวันคืนปีเดือนให้ผ่านไปปล่าอุต่าห้พยายามแบกไหวาการงานบ้านช่องของตนออกมา ทำสักการะบูชาทําการบุญการกุศลพราะวันนี้เป็นวันสำคัญทั้งสามการคือวันประสูตรป ร, รัชรชและป ร, ะรินิพานขององค์สมเด็จพระศ า, าสดาจารย์สมมาสาัมพุทธยเจ้าของเราเศรษนั้นพวกท่านพุทธศ า, าสนิกชนที่นับถือพระพุทธศ า, าสนาทุกท่านทุกคน ไม่ควรพาดโอกาสอันดีงามเช่นวันนี้มาตามระ ล, ลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจา้านานหนักหนาเึงค่อยจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลก้ารปรศพเพระพระพุทธเจา้ายึงเป็นของหาได้ยากอย่างที่ท่านว่าชิดโศพุธานะมุปบาโทโธเป็นต้น เพราะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้อุบัติสัตย์สรูขึ้นได้ก็อาศัยสัางคุณงามความดีประกอบบารมีมาเป็นเวลานานปีนานกับนานกันเป็นของเกิดขึ้นได้ยากยิ่งกว่าสัตว์มนุษย์ธรรมดาเพราะท่านมีคุณงามความดีเป็นเสียมเมื่อใดจึงจะได้ตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ นอกจากนั้นคนเราธรรมดาที่อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จึงไม่เป็นของแปลกประหลาดสําคัญเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะเป็นมนุษย์ธรรมดาส่วนพระพุทธเจ้าเป็นอริยมนุษย์เทอมนุษย์อศัศจรรย์การเกิดของท่านก็เกิดขึ้นในตระกูลของกษัตริย์ แต่สมัยปัจจุบันทุกวันนี้ผู้ที่เกิดในตระกูลของกษัตริย์ก็มีผมเถไปแต่พูดถึงบุญบาลีที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดตั้งสองพันห้าร้อยปีกว่าปีมาแล้วยัไม่เคยมีว่ากษัตริย์องค์ใดเป็นพระพุทธเจ้าอีกนอกจากศรีท่ากุมารองเดียวเท่านั้น และยังจะต่อกันไปอีกเป็นเวลาหลายแสนปีทึงค่อยจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสอีกจนถึงพระริยเมตตในนู่นแหละเดือนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาอุตส่าห์ทำสักการะบูชาระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสาสดาในวันนี้ยิงควรพากันจิตยินดีตื่มอก นิ่มใจคงทนว่าเลยเราได้ทําการกุศลอันสาคัญการแต่ทากุศลทุกท่านทุกคนอยา่าไปคิอว่าเป็นของยากหรือเป็นของง่ายที่ยากก็เพราะจิตใจของเราไม่ชอบไม่ยินดีที่ง่ายก็เพราะจิตใจของเรายินดีปราถนาดีจึงเป็นของง่าย ทุกเร่งทุกอย่างไม่ว่าการงานด้านโลกหรือด้านธรรมถ้าหากจิตใจของเราไม่เกิดจ่อต่อตั้งหรือไม่ยินดีในการงานทึ่นั้นนั้นไม่ว่าการงานเล็กหรือใหญ่ยากหรืองา่ายเป็นของยากไปทั้งหมดถ้าหากจิตใจไม่ชอบไม่ประกอบปฏิบัติในหน้าที่การงานนั้น<ม>หากจะเป็นของยาก ลำบากแต่เท่าไรก็ตามแต่จิตเราชอบจิตของเรายินดีก็จะทำบำเพ็ญได้อย่างไงไ่ายดายเป็นพวกเราทั้งหลายอุตสาห์พยายามแวกห่ายการงานบ้านช่องตลอดถึงความสุขส่วนตัวคือการหลับการนอนหรือการเสิร์นในหน้าที่ต่างๆเข้ามาสู่สถานที่นี้ก็เพื่อมา จะทำบาเพ็ญคุณงามความดีบุญบาละมีใส่ตนเกณนั้นทุกท่านทุกคนที่ได้อุตสาหพยายามมาจงพากันีนิดที่เจรนาความดีของเราเราอยู่บ้านอยู่ช่องของเราวันหนึ่งหนึ่งได้ฝราได้ว่าแต่เราลึลกนึกถึงพระเจ้าพระสงฆ์ไหมหรือเราทำอย่างไรอยู่ถ้าหากเราไม่เข้ามาสู่หมูะนะ่คณะ ที่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างคนงามความดียึกดึงขนาดนี้เราจะทําอย่างไรอยู่ในบ้านของเราทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะระลึลกนึกถึงได้ไหมสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นไหมเพราเราอยู่ในบ้านในช่องของเราอันนี้เราต้งสอบได้ไง่ายๆแบไม่เห็นและไม่เดาฟังและ ติดเดือนขนาดนี้เรากิดจะต้องหลับต้องนอนไปแล้วอันนี้เราได้สละกําลังกายกําลังวาจากําลังใจของเราออกมาสู่วัดวาศาสนาออกมาทําศั ก, กระบูช า, า พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละเมื่อเราละเลิกนึกถึงการกระทำมอมเพลในทางที่ดีเช่นนี้เราเกิด ตีติยินดียิย่ใจบุญกุสลส่วนนี้จะติดตนตามตัวไปสู่ประพบเบื้องหน้าให้เราได้รับความสุขกายสบายใจเพราะเหตุว่าเราได้กระทำบ่มเพียนเอาไว้ซึ่งคุณงามความดีในตัวของเราพระพุทธเจ้าจที่จะเป็นผู้ดีวิเศษได้ก็เพราะอาศัยทาคุณงามความดีนิ่ได้ทำความชั่ว ทมความดีทุกชาติทุกพบมาจนกระทั่งถึงปัติมชาติคือชาติสุดท้ายปลายแดนของพระองค์ได้มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์เกิดในกองเงินกองทองไม่อดยากยากจนเป็นมนุษย์อศัศจรรย์นคนหนึ่งซึ่งพวกพญาติทวงค์ทั้งหลายยินดีปรารถนาะ และมีคุณสมบัติหลายอย่างตอนท่านเกิดจนกระทั่งท่านเติบโ ต, โ ต, โตโละโหฐานขึ้นมาก็ได้เป็นพยาคือเป็นพระเจ้าแขนดินแนทนพระราชบิดาของท่านต่อมาก็เป็นโทษในความเกิดแก่เจ็บตายแล้วอุตส่าห์พยายามแวกว่าออกโนวด คือออกบวชออกบรรพาานั่นเองการออกของพระ อ, องค์ไม่เคยมีทาหารตำรวจหรือไถ่ฟ้าประชาชนติดตามพระ อ, องค์ออกองเดียวบวชคนเดียวอยู่ตามป่าตามเขาจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนพระ อ, องค์ท่านไม่เคยกลัวในความทุกข์ส่วนนั้น กัวแต่ว่าจะไม่พ้นจากที่เหลือตัณหาภายในใจของท่านเท่านั้นจึงอุตสาห์พยายามกระทำคุณงามความดีหลายวิถีทางผลสุดท้ายในวันวิาสาขบาุญน้ามีวิถีเทนยันหกเทนวันนี้แหละพระองค์ก็อด้ตขาดรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นาศาสดาของมนุษย์ าศาสนาของเท พ, พบุพ a, ตรเทพธิดาอินทรมยมยักษ์ไม่มีศาสนาอื่นจะเสมอเหมือนพระองค์ได้เหตุที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่ออาศัยคุณงามความดีสร้างบารมีแมส่ทานศีลภาวนาเรื่อยๆมาจ น, น onda, ถึงชาติปัจจุบันคือชาติที่เป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้สร้างคุณงามความดีตามกำลังของพระ อ, องค์ออกมาประพฤติปฏิบัติอย่างเดยดเดี่ยวอจหารทุกด้านพระองค์ไม่กลัวความร่วมความตายอดนอนผ่อนอาหารขาคเพียรพยายามติดตามจะให้คุณงามความดีเกิดมีขึ้นในจิตในใจของตนจนไปทั่งพระองค์ไปศบ อบความดีเือได้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันเดือนหกเพนเป็นวันนี้เมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก่อยยังเป็นผู้ไม่เห็นแต่ความสุขส่วนตัวอุตสาหพยายามแมนะนำาัฒนสอนภูมุ่งหวังตั้งใจต่อคุณงามความดีเรื่อยไปไม่หยุดยั่งอยู่ หรือไม่จนมีความดีภายในตัวอุตสาห์แนะสอนท่านผู้อื่นจนกระทั่ ง, งผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำแนะนำสั่งสอนของท่านได้หลดพ้นไปจากชีเลศเป็นจำนวนมากหากกระสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตนธรรมได้เห็นแก่ตัวพอตราสรู่แล้ว ก็อิดพระโอษเตียคือไม่แนะนำพัมสอนไขหรือปริินธานโดยเตียทำคําต่างสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ตกทอดมาถึงพวกเราที่ได้ประพฤติฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยพระองค์มเป็นคนปนิธรรมอุษาแนะนำพัมสอนสาวกสาวกก่อนแนะนำพัมสอนต่อกันมาจนถึงท่งปัจจุบันทุกวันนี้ ทมคำต่างสอนยังดีบริบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพัองยังสมบูรณ์อยู่เต็มที่แต่เทอว่าความดีก็จะต้องอาศัยเหตุดีถึงค่อยจะเกิดจะมีขึ้นเหตุเป็นเครื่องบอกผลเหตุดียอมส่งผนดีให้เหตุชั่วยอมส่งผนชั่วให้ เหตมากยอมได้รับผลมากเหตุชูเหตุน้อยยอมได้รับผล น, น้อยเป็นธรรมดาเหตดนั้นพวกเราท่านสมัยปัจจุบันนี้การกระทำคุณงามความดีโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่หนักแน่นสักเท่าไรส่งกายส่งวาจาส่งใจออกไปสู่ส่วนอืน่นเหตุนั้นความสงสัยลังเลภายในใจจึงเกิดขึ้น ว่าสมัยปัจจุบันทันตาไม่มีใครที่จะสำเร็จมรรคผลไดน้นี่ก็คือเราคิดเห็นตัวของเราเองตัวของเราเป็นอย่างไรจะเหมาคนอื่นทั่วไปให้เป็นอย่างนั้นความจริงทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลีโกเป็นของที่ไม่มีการไม่มีเวลา ทำดียังดีได้ทำชั่วยังชั่วได้พูดสีละที่เหลี่ยตันหาออกจากกายวาจาใจก็ตัตรู้ได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่มีห้ามไม่มีห่วงไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสหากสามารถจะทำบำทําเพ็ญตามคาแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านชี้ทางไว้ คนนั้นก็จะไปสู่จุดลีมุตหลุดพ้นได้อย่างพระพุทธเจ้าหรือเหล่าอารหรัน <_ d ata> เกิดนั้นผู้ที่เมาตัวหรือเกิดสงสัยว่ามักผลยิธานสมัยนี้ไม่มีก็เพราะเขาไม่กระทำบาเพ็ญคุณดงามความดีเส้นที่ <_ d ata> เกิดนั้นจิตใจของเขาจึงไม่อย่างเข้าไปหาความดี อันที่มีอยู่ภายในตัวของเขาได้ถ้าหาเขาแหวกไหวแต่าทาคุณงามความดีละชั่วในตัวของเขาจริงจังเขาก็จะไปฝึกพบเห็นความดีที่มีอยู่ในตัวของเขาทําของพระพุทธเจ้าเป็นของปานไม่ใส่ของผู้หญิงไม่ใส่ของผู้ชายไม่ใส่ของนักบวชไม่ใส่ของชราวาชายสาวพืช ปฏิบัติตามคนนั้นแหละจะได้รับคำคำสอนอนั้นๆขึ้นในจิตในใจของตนเกิดอัศจรรย์มีความสุขอันยวดยิ่งเพียงแต่ท่านสมาธิซึ่งพวกเราท่านทางหลายแต่ก่อนไม่เคยเคยทำบาเพ็ญมาหรือทำบาเพ็ญก็นิดหน่อยเล็กน้อยจิตใจไม่เคยเข้าสงบได้ ตอเมื่อทำจริงทำจังจิตใจเข้าสงบละงับดับนิวรณ์ทั้งห้าด้พื่อการช่ ว, ส, วสมัยเท่านั้นแหละก็เห็นอศัศจรรย์ว่าธรรมธรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของลึกซึ่งเป็นของดีเด่นเป็นของมีอยู่ไม่ได้สิบหายไปที่ไหนถ้าหากเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงจังย่อมเปิดเห็นผล อา น, น้สงขึ้นในปัจจุบันภานตาอย่างนั้นเหตุนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อจิตใจยังเข้าถึงทมจริงจังแล้วจึงถอนไม่ขึ้นกล้าเป็นกล้าตายใครจะฆ่าจะเกล่ยนใครจะทุกจะตีจะทำอย่างไรยอมเสียสละทท่งนั้นเราเหตุใดเพราะเห็นธรรมเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าชีวิต มีพวกเราทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นพอประพฤติปฏิบัติเมือนั่งนิดนิดหน่นอยหน่อยกงหงงเหงาหงนอนทรงกระแสจิตคิดไปแต่เรื่องอื่นเรื่องของจิตของใจไม่สังรวมระหวังไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจะ ก, กำหนดพุทธโธ ท, ทำโมสังโฆก็กำหนดไม่อยู่จะสังเกตหรือกำหนดลมหายใจก็กำหนดไม่ได้เมื่อกำหนดไม่ได้ทำไม่ได้ผลจะเกิด มีความสุขขึ้นมาอย่างไรความจียงเราต้องบังคับมันเราท่านทั่วไปทุกท่วนหน้าเคยส่งกระแสจิตคิดไปในเรื่องนอกเป็นเวลานมนานเป็นเวลาหลายตีแต่ความดีไม่เคยเกิดขึ้นจากการปล่อยจิตบางใจช น, นิดนั้นเหตุนั้นการบังคับจิตบังคับใจที่จะ ให้เข้าสู่ความสงบหรือที่จะถอดถอนอารมณ์สัญญาออกจากตนเราต้องบังคับบัญชาเหมือนกันกับว่าเราบังคับเด็กให้มันอยู่ในขอบเขตไม่อย่างนั้นมันจะตกบ้านตายหรือเส้นน้ำปักเท้าของเด็กเมื่อเวลาเราจะบ่งหรือจะเอาน้าออกจากเท้าของมันมันจะต้องร้องไห้ยินน้นรนกวนกวายเป็นธรรมดา ไม่อยากจะให้ผู้ใหญ่ถอดขอนออกให้แต่ปล่อยไว้เบียกจะเป็นอย่างไรจะเจ็บปวดอยู่เป็นเวลานมนามนทางหากผู้ใหญ่อุตส่าห์พยายามขอนน้ําด้วยบง่งน้ําออกให้ถึงเด็กมันจะร้องให้อย่างไรก็าตามแต่อาศัยการบังคับบัญชาของผู้ใหญ่เป็นเอาน้ําออกจากข้าวของมันได้ มันก็จะหายเจ็บปวดแผลมันก็จะดีง่ายถ้าหากปล่อยมันไว้มันจะเจ็บปวดหรือทำร้ายเนื้อที่ดีอยู่ในท่าของมันให้เสียหายไปฉันใดจิตใจของพวกเราทั้งหลางที่จะบังคับบัญชาตัวของตัวให้เขามาทำคุณงามความดีมันเป็นเช่นนี้มันไม่อยากมันไม่ชอบท่านจึงเรียกว่ากิเลสมาร มันคว้างหน้าควงางตาผู้ที่จะเข้ามาจะทำบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่อย่างนี้ไม่ว่าสมัยใดนีด่เรืมันเคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยเป็นเจ้าเป็นนายบังทับบัญชาเรามันให้โอกาสชั่วาการชั่วสมัยก็ยังมาดีอยู่ที่เรารู้เท่าทําทันเลื่อเหลี่ยมของมันถ้าหากเราไม่รู้เท่าทันเลื่อเหลี่ยมของมันปล่อย ให้มันบังคับบงงังชามันอยากหลับก็หลับไปมันอยากนอนก็นอนไปมันอยากคิดอย่างไรก็คิดไปตามเรื่องของมันเหตนนั้นเรื่องของจิตใจจะปล่อยไว้จีกับจีกันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะหายจากสิเลตัญหาไปได้เหตุนั้นการจะชําระสาสางสิเลตัญหาพระพุทธเจา้าจึ่งถือว่าเป็นจิตสําคัญประจําพวกเราเร า, เราท่านท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติกัน ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะถอดถอนเรื่องกิเลสปัญหาออกได้เรื่องของการกระทำความดีไม่ว่าบุคคลผู้ใดจะมีการขัดข้องแทงใจไม่อยากกระทำแต่ความป่าถนะดีทุกท่านทุกคนมู่หวังตั้งใจอยากจะได้ดีทางนั้นไม่ว่า ททั้งหมดเป็นอย่างนั้นกาถนาแต่ผลเหตุเบื้องต้นที่จะให้เกิดความดีรังเกียดเมื่อมันเป็นอย่างนั้นทนาถึงจะได้ผลอันดีงามมาสู่ตนของตนผลจะเกิดดีขึ้นได้ก็อาศัยการจะทำความดีถึงมันจะยากลำบากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็อุตส่าห์พยายามจะทำเอา เราลงทุนแต่ทำความดีดีกว่าแต่ทำความชั่วเพราะความชั่วเมื่อทําไปจะทําจิตทําใจของเราให้เดือดร้อนแต่เบื้องต้นความชั่วมักอยากจะเป็นนิสส น, นิษฐนนินมเห็นว่าความชั่วใหความถูกอย่างนั้นแหละมันเป็นนิสที่ดีคลายคล้ายกับปาฏิหา แต่เธอว่าฉากหลังของมันให้ทุกเจ้าเราเป็นคนเกียดท่านอย่างนี้อ่ะเราทำการทำงานเราไม่ไปนอนเด่นหรือเสิร์เพินในเรื่องอืนอ่นเมื่อเราไม่ไปทำการทำงานเรานั่งเรานอนอยู่ตามสะดวกสบายของเรา หน้าที่การงานอะไรก็ไม่ได้ถึงการถึงทำไมห้องใส่ของเรามันหิวหาสิ่งที่จะอยากจะกินไม่มีคราวนี้แหละฉากหลังของมันกลาบเป็นศัตรูทานเกลียดข้านเลยให้โทษแก่ตนของตนเกิดอดอยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ตน อยากได้ในใ ไ, ไม่สมหวังเพราะเหตุใดเพราะเราอความเสียดทานเป็นใหญ่ถ้าหากเราขยันมันเพียนถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็อุตส่าห์แวกว่าอุตส่าห์ละตายวายจาได้ใจคงสนทำเพราะคิดเห็นผลข้างหน้าจะเป็นมหานิ์คือจะนำความสุข ความเจริญมาให้แก่ตนคนที่ขยันมันเพียรเป็นอย่างนั้นถึงจะลำบากอยากเย็นสักขนาดไห น, นก็อุตส่าห์บังคับกายบังคับใจของตนทำเมื่อทำไปแล้วความยากที่ว่ามันยากแสนยากเราทำไปได้่านไปได้ความสุขกายสบายใจคือความไม่โอดอยากยากจน เกิดเป็นผลแก่จน็ลของตนนี่คือเรื่องงานของโลกส่วนงานของธรรมก็เหมือนกันถึงเราจะง่วงเหงาหานอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็อุตส่าห์พยายามประคับประคองกายวาจาใจของตนให้แนวแน่ไม่ทรงกระแสออกไปตามเรื่องของกิเลสกันหาเมื่อเราพยายามกระทำตามได้อย่างนั้นจิตของเรา ที่เคยตายแฉะส่งไปแสะไปสู่เรื่องอื่นก็ค่อยสงบลงไปเมื่อจิตสงบความสุขที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นก็จะเกิดจะเป็นขึ้นความสว่างสวัยของใจเป็นอย่างไรก็จะเห็นขึ้นความสุขที่ท่านชมเชยสรรเสริญว่าความสุขในธรรมเป็นความสุขอันเลิศอันใจเสด็จเป็นอย่างไร เราได้เห็นประจักษ์ในใจของเราเมื่อเป็นอย่างนี้ความขายันมันเพียรต่อไปไม่ต้องบังคับบัญชาเพราะเหตุว่าเราเห็นผลนี่แหละพระพุทธเจ้าที่จะอดทนหรือสู้ต่อที่เหลือตัญหาดาต้องมุ่งหวังตั้งใจอยากจะเห็นผลคือความผลทุกพระองค์ประสบ ในพระองค์เองประจักชัดเจนเหตุที่จะเข้าไปสงบได้เห็นความสุขได้ในสมัยที่จะตรัสสู่พระองค์ก่อสังเกตลมหายใจนี่แหละหายใจออกหายใจเข้าช้าหรือเร็วชวนิดที่เจรนาอยู่นั้นแหละไม่ส่งกระแสจิต ออกไปคิดอันอื่นดูแต่ลมมันออกดูแต่ลมมันเข้าลมก็เลยละเอียดอ่อนเข้าไปธรรมดาจิตจะสงบลมต้องละเอียดละเอียดเข้าไปจนถึงก็ว่าเมื่อจิตสงบลมไม่มีไม่รู้ว่ามันหายใจออกไปที่ไหนเมื่อจิตสงบลงไปลม หายใจไม่มีท่านจิงว่าคนเข้านิโรธสมาบัตไม่มีลมหายใจคนดำน้ำไม่มีลมหายใจเด็กในทันของแม่ไม่มีลมหายใ จ, ยใ จ, ใยใจพวกเรานี้ที่ได้เข้าที่ถึงจุดคือความสงบจริงจังรมจะต้องละเอียดเดินได้ทุกขุ้มขนลมหยาบเท่าไรใจหยาบเท่านั้น ลมหยาบเท่าไรหายใจแรงเท่าไรเรื่องโลกไข่ไข่เสียดและชอวิตก็ตเริมเป็นคนจะตายหายใจไม่ปกติคนปกติหายใจธรรมดานคนเท่าที่มีความสงบยัียงหายใจไม่มีหรือลมหายใจไม่แรงหรือสงบไปหมดลมทุกท่านทุกคนก็มีอยู่ ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าพลเร่าหรือนักบวชแต่เราปล่อยให้มันออกไปตามเลี่ยวของมันลมของพวกเราเราทันท่านถ้าหากมันไม่เป็นเองเราต้องตายท่านมีสติปล่อยออกไปมันถึงออกมีสติสูดเข้ามามันถึงเข้ามาถ้ามันเป็นอย่างนี้วันหนึ่งหนึ่งจะตายกันนับแสนนับล้านไม่ได้เพราะ สติของเราไม่อยู่กับลมหายใจแต่นี่ดีมันออกเองมันเข้าเองในยลมของเราไม่เป็นสาระประโยชน์ให้ลมหายใจซึ่งมีอยู่ถ้าหากเราตั้งสติกำหนดเอาไว้มันออกอย่างไรมันเข้าอย่างไรยากหรือละเอียดช้าหรือเร็วเราสังเกตเหตุการณ์อยู่นั้นท่านวะภาวนา อานาตานสติละลิกเลิกอยู่ในลมค้องตนจิตของพระพุทธเจ้าที่จะสงบระ ง, งับไปได้เพราะอาศัยลมจิตของสาวกทั่วไปท่านก็าอาศัยบทธรรมบริกรรมพุทโธทมโมสังโฆหรือสังเกตลมหายใจหรือบริกรรมผมขนแล้วฟันอันใดอันหนึ่งไว้ในใจของท่านไม่ให้จิตมันยืดเยือย้อออกไปสู่ อารมณ์อันใหม่บังคับใจให้อยู่กับขวามวิกรรมของตนจิตก็เลยสงบระงับได้ถ้าหากปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันเป็กี่ร้อยกี่พันปีก็ไม่ดีในงาม <c oughs> เรื่องของชิดเหตตั้นหาํำระได้ด้วยการกระทาคุณงามความดีสระได้ด้วยข้อวัดปฏิบัตินีใช่ว่า มันจะหายไปเองถึงคราวถึงเวลาของมันเหตุนั้นพวกเราท่านทุกคนจงอุตสาห์พยายามอาศัยความไม่ประมาทจะทำบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่บ้านของตนก็ทำคุณงามความดีอยู่ในวัดในวาสุจะทาคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนความดีที่อุตสาห์พยายามกอบป่วยเอาวันนั้นวันนี้หลายครั้งหลายที ความดีก่อจะเทวีคูณขึ้นเมื่อความดีมีมากความทั่วก่อจะตกออกไปลอยออกไปหายออกไปเหมือนกันกับความสว่างมีมากความมืดก็หายไปถ้าความมืดมากเท่ามาเท่าไรความสว่างก็ไม่มีขึ้นเพราะความมืดกับความสว่างเป็นค่าสุดซึ่งกันและกันความดีกับกิเลสตัญหาก็เหมือนกัน ความดีมีมากเท่าไรกิเลสตัณหาจะต้องเหตุแห่งหรือหายไปเมื่อความชั่วคือกิเลสตัณหามากพอเท่าไรกายวาจาใจของบุคคลผู้นั้นถ้านักปราชญ์บัณฑิตดูไม่น่าดู เ, เลยเพราะเหตุใดเพราะความชั่วเต็มไปทั้งตัวเหตุ น, นั้นเรื่องความชั่วและความดีต้นเหตุเกิดมีขึ้นจากตัวของพวกเรา ไม่ใช่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้อื่นพระพุทธเจ้าแนะนำพ่ฒนสอนพวกเราก็เพื่อให้กำจัดระงับดับความชั่วจเจริญความดีที่นีอยู่ในคงที่หรือทวีคูณขึ้นไปความดีใหม่ซึ่งควรจะได้จะถึงก็ อ, อุตสาหพยายามกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นหากทุกท่านทุกคนสนใจอุสาหกระทำ ความดีเอาไว้และชั่วจากกาจากใจของคนไปทุกการทุกเวลาก็จะพากันประสบพบแต่ความสุขความเจริญเพราะความดีนำผลดีมาให้ความชั่วไม่มีในตัวชั่วย่อมไม่แผดเผาเราเหตุนั้นทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากเราพินิพิจะระนานจรณาการเจียงจัง เราจะเอาไปกระทาบำทําเพ็ญการงานทางโลกก็จะมีความสุขความจเจริญจะบําเพ็ญในทางธรรมก็ไม่เสียมไม่เสียเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมพระวา่าพระพุทธเจ้าก็อุตส่าห์สอนพราว่าจะทำสิกสุสามะเนนพระพุทธเจ้าก็อุตส่าห์แนะนำํสำทาสอน ท่านไม่ได้เกียดว่าจะกูลตามตะกูลสูงว่าเป็นคนโง่คนฉลาดอุตสาห์สอนทั้งนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดเมื่อสนใจแล้วเข้ามาสู่วงของศาสน า, าพระพุทธเจ้ า, จาต้องแนะนำทำสอนเสมอกันไปหมดแต่ผู้ที่จะได้ผลยิ่งหย่อนปากันก็คือการแต่ทำเมื่อได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของท่านไปแล้ว อุตสาแนะนําเป็นของตนเองอุตสาห์พินิษพิจารณาเหตุดีชั่วแล้วละความชั่วบําเพ็ญความดีเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่ละไดมากเท่าไรก็ยิ่งมีความผ่องใสมีความเยือกเย็นมีความเป็นสุขผู้ที่ละไดน้อยก็มีความสุขน้อยตามกําลังมั้ง ปฏิเสธาคือการจะ่ทำบําเพ็ญของตนเหตดนั้นขอทุกท่านทุกคนจงอุตสาห์สนใจนำไปที่นิดพิจรณาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้ไขกายวาจาใจของตนให้มีความสุขความเจริญเกิดขึ้นในตนของตนพระ พวกเราทุกคนปรารถนาความสุขหากไม่ฝึกผลอบรมเช่นนั้นความสุขก็จะเกิดจะมีขึ้นไม่ได้การนำธรรมะไปใช้ทางทราววะหรือการนำธรมมรมะมาใช่อบรมจิตใจของตนซึ่งเป็นบรรพชิตจึงไม่ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเียดนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชา เป็นวันประูตรัสรปรินพปานขององค์สมเด็จพระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะปิดพระโอษฐปริ涅พานองค์สมเด็จพระสัสดาจ า, ารสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำคำสอนพวกเราทั้งหลายไม่ให้พากันประมาทนิสพิเจริญอาอวัยวะร่างกายของตนให้เห็นประจักษ์ชัดเจน ละละทั่วบำเพ็ญดีให้ทวีคูณขึ้นนี่เป็นคำแนะนำคํำสอนตอนจะปริณิพานคือสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายใน ม, มีความประมาอุตสาแจะทำบำเพ็ญคุณงามความดีแล้วก็ปิดพระโอษฐปริณิพานเลยก็ปริณิพานในวันเดือนหกเพ็ญเช่นวันนี้แหละพวกเราเราท่านทั้งหลายได้อุตสาหพยายามมาสักการะบูชา องค์สมเด็จาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ก่อจงพากันละเลิเนึกถึงสร้างที่พระ อ, องค์ยังดำรงพะชนอยู่แล้วอุตสาหพยายามและชั่วบาเพ็ญดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนต่อแต่นั้นไปพวกเราท่านทุกคนก็จะพากันประสบพบแต่ความสุขความเจริญในอวสานการสดแสดงธรรม ขออำนาจคุณพระราชนารายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกจงมาคุ้มครองป้องปกพวกทัดทายยกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้ปราศจากโครคไขยให้เจ็บปราถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงได้ผมหวังทุกประการดังได้รับประทานวิสัญนามาขอเห็นว่าต้องควรเก่บเวลาเยวังขมีด้วยสการัชนี